ขอเพียงให้รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นบรรยายเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2543จริงๆแล้วถึงแม้จะเป็นคารวะ เ, เป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นที่ทำงานอยู่เนี่ย ก, ก็สามารถจะเป็นปัตตธรรมได้อยู่ถูกต้อง ใช่หรือไม่แล้วก็ท่านพูดถึงว่ า, ามีสองขั้วใหญ่ๆคือศีลสมาธิปัญญาท้ อ, อันก็คื อ, อาทานศีลและภาวนาคราวนี้สิ่งที่ทำประจำวันสมมติว่าเราขับรถไปท่านได้พูดถึงถึงเรื่องแม้แต่การขับรถก็ตามก็ปฏิบัติทำได้นะครับ พอถึงขั้นที่สองคือการปฏิบัติด้วยการสมาธินะครับแล้วขั้นต่อไปก็ถึงปัญญาเนี่ยผมอยากจะทำยังไงว่าทำให้เป็นคำง่ายๆแจมแจ้งว่าสำหรับปุิชฌสำหรับชาวบ้านสำหรับค า, วารวะสมมติสำหรับหมอที่จ ะ, กะเกษียณแล้วนี่ เ, เออจะทำยังไงต่อชีวิตไม่จำเป็นจะต้องว่าทุกวันจะต้องสมาธิทุกวันออนะเ ให้คนธรรมดาทั่วไปสามารถถือเป็นหลักปฏิบัติได้ว่าเราเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นทางานก็ยังปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาได้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับโดยโดยความเป็นจริงไม่ใช่เป็นตามทฤษฎีเท่าไหร่ทำยังไงถึงจะให้ท่านอธิบายว่าง่ายๆสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตที่ต้องไปงานสังคมไปงานแต่งงานไปงานศพจะต้องไปงานปาร์ตี้แต่ ดำเนินการเป็นชาวพุทธที่ดีได้อย่างไ ร, รนในฐานะขรืหัดในฐานะคารืหัดที่สนใจอยากจะทำตัวเป็นคนที่ดีหรือทำให้สังคมดีเนี่ ย, ยทำยังไงง่ายๆให้คนอ่านสักสองสาหน้าหรือให้รู้สึกไม่ต้องไม่ต้องเป็นทางภาคทฤษฎีมากเรือผมจะเอาไปพิมพ์อะไรอย่าง คิดเดี๋ยวก่อนจะพูดเรื่องนั้นก็พูดถึงถ้อยคำอนุโมทนาคือพูดถึงถ้อยคํานิดหนึ่งคุณหมอพูดถึงเรื่องสมาธิสมาธินี่ก็เป็นตัวอย่างอการที่ว่าบางทีเราไปหลงแล้วก็ติดในความหมายแง่ใดแง่หนึ่งคือสมาธิโดยรูปแบบกับสมาธิโดยสาระสมาธิโดยรูปแบบเนี่ยเราจะไปติดในแง่ไปนั่งอย่างนี้แล้วไปอยู่ในที่อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสมาธิ แล้วก็แล้วเอาสมาธิไปผูกอยู่กับไอ้รูปแบบนั้นความจริงสมาธิมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสภาวะเป็นคุณสมบัติของจิตใจเมื่อจิตใจมันอยู่แน่วแน่มันอยู่กับสิ่งนั้นมันไม่ไปฟุ้งซ่านมันไม่หวอกแวกอยู่มันก็เป็นสมาธิใช่ไหมหรืเล่าอันเนี้ยสาระตัวสมาธิตัวแท้คนไปนั่งสมาธิแกอาจจะใจไม่เป็นสมาธิเลยไม่มีสมาธิเลยก็ได้ใช่ไหม ใจก็เป็นนั่งงุนงานงุนงานคิดอยู่โนดคิดอยู่คนเดียวอย่างนั้นไม่มีสมาธิแหละไปนั่งสมาธิเฉยอันนั้นสมาธิเวลาเอากะจริงๆเนี่ยมันก็เนื้อหาสาระความจริงก็เป็นธรรมชาติคือเป็นคุณสมบัติของจิตใจที่จิตใจมันสงบแล้วมันอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการอาตมาเลยพูดง่ายๆอย่งางเงี้ยสมาธิก็คือจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการ ตอนแรกจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการอ้าวนี่ก็เข้าสมาธิแล้ว <c oughs> ได้ตามต้องการนี่สมาธินแน่นเลยใครอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการนี่ก็เก่งแหละ <c oughs> นี่อันนี้สมาธิที่แสดงว่าไปไกลเลย <c oughs> คนไปนั่งสมาธิมีกี่คนที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการนนเอารูปแบบอะเพราะนั้นเนี่ยที่สำคัญ <c oughs> อันนี้พอจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการแล้วเนี่ย แล้วแต่เราจะไปใช้มันทำอะไรท่านเรียกก็เป็นจิตที่เหมาะกับการใช้งานเนี่ยเพราะจิตที่สงบไม่พรุงพลานไม่กวนก็วายไม่แผอกแพลกไม่บกแวกไม่พรุงพลานไมเ่เหงาไม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นจิตที่พร้อมเป็นตื่นตัวมีความหนักแน่นมั่นคงมันจะใช้ทำงานอะไรก็ได้เพราะนั้นไอ้อย่างนี้ก็คือธรรมะที่เป็นของจริงเราจะเรียกก็ธรรมะในชีวิตประจวันร อ, อะไรก็ได้เรื่อง ซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสสามารถมีคุณสมบัติแต่ทำไมต้องมีรูปแบบอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเราเนี่ยคุณสมบัติในจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันการพัฒนาของจิตใจของอะไรต่างๆปัญญาปัญยูไม่เท่ากันนะนั้น <S <S แล้วก็เมื่อจิตไม่พร้อมเนี่ยไอ้สภาพแวดล้อมต่างๆมันก็มีทิพยผลใช่มล้ยดังั้น เวลาเราจะฝึกคนเราเนี่ก็บอกว่าคุณสมบัติที่ดีมันจะสำเร็จได้ในกการฝึกแต่การฝึกบางทีมันต้องอาศัยเทคนิคโดยทั่วไปมันต้องมีเทคนิคแล้วมันจะช่วยและสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งวิธีการอย่างหนึ่งจะมาช่วยก็เลยมีการพัฒนารูปแบบวิธีปฏิบัติขึ้นมาเป็นการนั่งสมาธิอะไรต่างๆหล่ะเนี้ยเพื่อจะมาฝึกเท่านั้นเอง <Yeah. S 2> เพราะคน ฝึกได้ดีมีสมาธิจริงแล้วมันไม่ต้องมานั่งอย่างนั้นแล้วลอา่ก็อันนั้นนั่งก็หมายความว่าอาจจะมีเหตุผลขึ้นมาว่าเออมันไปอยู่ในอินญาบทอื่นมันก็มีเรื่องธรรมะเกี่ยวข้องบุญไหวามาและอยากจะพักกลับไปนั่งอะไรก็แล้วแต่ตรงลงว่านี่คือเป็นตัวอย่างว่าเรื่องสมาธิก็สาระที่แท้จริงมันอยู่ที่คุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติอยู่ในจิตใจของมนุษย์เอง เมื่อเราเข้าใจแยกได้ตัวสาระการรูปแบบแล้วเราก็จะเข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นว่าเรื่องของมนุษย์ก็คือเราก็ดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้การดําเนินชีวิตอยู่ในโลกท่านก็บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยในด้านดําเนินชีวิตมันมีสามด้านน่ะ หนึ่งด้านการแสดงออกภายนอกด้วยกายวาจาโดยสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่งกระทางวัตถุอย่างหนึ่งเนี่ยด้านนี้พัฒนาไปเท่าไหร่ก็ตามทำให้มันดีขึ้นให้มีการพูดได้ผลดีพูดถูกต้องพูดเป็นคำสุจริตเป็นคำสัจจะเป็นคำสุภาพอ่อนโยนพูดได้ผลละไรต่างๆการฝึกนี่ก็เรื่องวาจาสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ แล้ก ก, การฝึกพัฒนาในเรื่องของการใช้กายทําอะไรต่างๆเต้นแต่ตตบริโภคอาหารใช้บัจจัย4ใช้เทคโนโลยีนะหรือว่าการใช้ตาหูจมูกลิ้นไปสัมพัสกับโลกภายนอกการดูการฟังและ ก, ก็การอยู่ร่วมสังคมการอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์กติกาการอยู่ในวินยัยกฎระลอจรอะไรก็ตามหรือวินัยของทหารอะไรเงี้ยนะ หรือว่าการที่จะทำอาชีพของตัวเองให้ถูกต้องสุจริตเกิดผลดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิชาชีพนั้นนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องพฤติกรรมกายวาจาสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้อมทางสังคมและทางวัตถุหมดเนี่ยเนียแดนเนี้ยเรียกว่าศีลเยจะไปอยู่ไหนก็ทำเพราะนั้นมนุษย์เราก็ต้องยุ่งกับเรื่องศีลตลอดเวลาถ้าใครไม่ฝึกพฤติกรรมตัวเองก็เรียกว่า เราไม่เอากระสนีนี่ถ้าคนต้องการจะมีความเจริญงอกงามในด้านพฤติกรรมในการอยู่ร่วมสังคมในการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายให้มันมีผลดีขึ้นกับชีวิตให้มันเกิดผลดีแก่ผู้ร่วมสังคมอะไรแต่อะไรเนี่ยนี่ก็เรียกว่ามีศีแล้วก็ฝึกกันเรืยไปนด้านหนึ่งละนี้สองก็ด้านลึกเข้าไปก็คือว่าก่อนที่มาออกเป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางกายวาจาทุกครั้งเลยมนุษย์นี่มีเจต จ, จํานง มีเจตนามีความตั้งใจมีความจงใจงใ จ, จะคิดจะเอาจะได้หรือจะทำจะแสดงออกอย่างไรไอแสดงว่าพฤติกรรมที่ออกมาข้างนอกเนี่ยมีตัวอยู่เบ้างหลังก็คือความตั้งใจความจงใจเจตนาหรือเจตจำนงนะแสดงว่าด้านจิตใจมีความสัมพันธ์อยู่กับพฤติกรรมพฤติกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของจิตใจทีแล้ว ใจิตใจจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมมีเจตนาอย่างไรขึ้นต่อคุณภาพของใจิตใจแหลนะเน่ใจิตใจมีโลภามากก็พฤติกรรมกายวาจาจะไปแบบหนึ่งเลยโลภมากโลภน้อยลงก็พฤติกรรมก็ไปอย่างเนะ่มีโทสะมากก็พฤติกรรมกายวาจาก็าไปอย่างหนึ่งมีโมหะมันก็แสดงออกมาที่พฤติกรรมก็อยู่ที่ว่าจะมีคุณสมบัติหรือสิ่งที่เป็นโทษไม่ดีมาประกอบกับจิตอย่างไร นั้นถ้าจะให้พฤติกรรมดีมั่นคงเนี่ยต้องพัฒนาจิตใจด้วยแต่ข้อสําคัญในที่สุดสุขทุกเนี่ยเราก็ไปอยู่ที่ใจอีกเหมือนกันมันไม่ใช่เฉพาะไอ้คุณสมบัติของพฤติกรรมที่ดีร้ายเท่านั้นอะระณนี่สามหยาบละเอียดแต่หมายถึงว่าความสุขความทุกข์ด้วยในที่สุดไปอยู่ที่จิตใจเพราะฉะนั้นดานจิตใจนี่ก็ต้องมีการฝึกนะเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกจิตใจในเรื่อง คุณธรรมความดีงามนะ่ให้มันมีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงให้ความโกรธโลภะโทสะมีที่พลันตจิตใจน้อยลงให้มีคุณสมบัติที่ดีซึ่งเป็นตรงข้ามกับโลภะโทสะให้มีความคิดเผื่อแผ่เสสละให้มีเมตตากรุณาให้มีจิตใจมีอุดมคตินะ่ให้มีความใฝ่รู้อยากทำสิ่งที่ดีงามอะไรขึ้นมาอีกเอ๊ แล้วก็นอกจากนั้นจิตใจบางที่อ่อนแอว่าเวงเหงาอะไรต่างๆเหล่านี้อีกเออไม่ได้ก็ต้องพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพมีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามใจสู้ไม่ยอมท้อนะมีกําลังใจแกล้ามีสติยับยั้งใจได้มีสมาธิใจแนว่วแนว่สามารถทําใจให้สงบได้นะทำใจให้โปร่งใสไม่ว้าเวไม่คุณมัวไม่เศร้าหมองไม่เครียดให้สดชื่นราเริงเบิกบานเอ๊ะ เรื่องจิตใจเยอะนี่นี่ก็เป็นแดนใหญ่เลยนะลึกลงไปกว่าพฤติกรรมก็มีด้านจิตใจเรื่องคุณธรรมความดีเรื่องสมร t h ภาพความเข้มแข็งของจิตใจเรื่องของความสุขความลเลือนเบิกบานผ่องใสโอ้ต้องลงต้องฝึกด้านจิตใจด้วยด้านจิตใจเนี่ยทั้งหม ด, ท, หมดท่านก็สรุปใช้คําตัวแทนตัวเดวะสมาธิที่ไม่เลยบัดเนี่ยที่จริงสมาธิครุมหมดไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งอย่างเัี้ยอย่างเดียวทีนี้ อ้าวทีนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่จิตใจกับพฤติกรรมไอ้จิตใจที่จะแสดงพฤติกรรมออกไปเนีแล้วก็จิตพฤติกรรมจะแสดงออกได้แค่ไหนเนี่ยมันต้องขึ้นต่อความรู้นะคนเราจะแสดงพฤติกรรมเนี่ยจะเดินไปไหนต้องรู้นะแล้วจะทาพฤติกรรมได้แค่ไหนอยู่ในขอบเขตของความรู้ คนที่มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งพฤติกรรมก็ยิ่งซับซ้อนนะยิ่งทำได้มากขึ้นนะแล้วก็สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จด้วยถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความรู้พฤติกรรมทำไปเปล่าเเหลวไม่ได้เรื่องนะและไอ้จิตใจก็เหมือนการจิตใจไม่มีปัญญาเนี่ยเหมือนอึดอัดพอเจออะไรนี่ไม่รู้จะทำไงอึดอัดทุกเลยใช่แต่พอรู้ปับ๊บโล่งเลยเพราะนั้นปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวสาคัญ พฤติกรรมจะไปได้จิตใจจะโล่งจะโปร่งเป็นอิสระด้วยปัญญาปัญญาเป็นตัวที่ชี้นําบอกทางให้แสงสว่างเปิดขยายมิตินะแล้วก็ทําให้เป็นอิสระเป็นตัวปลดปล่อยพอปัญญามานี่รู้จะติดอะไรปั๊เป็นปัญหาปั๊ปัญญามาหมดเนี่ยโล่งนะงนะปัญญาเป็นตัวสําคัญในที่สุดจะพัฒนาพฤติกรรมจิตใจไปได้ต้องอาศัยปัญญา ในที่สุดก็เลยต้องมีอีกแดนหนึ่งคือแดนปัญญาความรู้แดนปัญญาความรู้ก็ว่ากันไปตั้งแต่รู้ข้อมูลธรรมดาที่สดับสับฟังจากผู้อื่นรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นรับรู้เข้ามาการรับรู้ของคนก็มีปัญหาและรับรู้อย่างไรรับรู้ไม่เป็นก็อยู่ก็ชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมล่ะเราจะเห็นสวยงามก็ชอบใจเห็นไม่สวยไม่งามไม่ถูกตาไม่ถูกใจ ก็ไม่ชอบใจนะพอไม่ชอบใจต้องอยู่กับมันเกิดความทุกขนะ์แล้วคิดทำลายจิตใจงุ้นงานพรุ้งพร่านโทสะเกิดพอไปเจอสิ่งที่ถูกตาถูกใจชอบจะเอานะแล้วก็เกิดความสุขพออยู่ด้วยการใดสิ่งนี้ไม่ได้อ้าวทุกข์อีกแล้วจะไม่ได้หรือว่าหรือมันได้แล้วแต่มันไม่อยู่ด้วยหรือมันจะสลายไป ทีนี้้การรับรู้ของมนุษย์เนี่ยเป็นช่องทางที่มาของความสุขความทุกข์ของมนุษย์แหล่งใหญ่เลยทีนี้ถ้ามนุษย์พัฒนาขึ้นก็จะไม่อยู่แค่รับรู้ชอบใจไม่ชอบใจก็คือหนึ่งรับรู้รับความรู้สึกสองใช้ตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้จะรับความรู้แค่นี้ก็ต่างแล้วเป็นจุดแยงแล้วรับความรู้สึกก็ รู้สึกสบายชอบใจรู้สึกไม่สบายไม่ชอบใจสุขทุกข์อยู่กับชอบใจไม่ชอบใจพอรับความรู้คราวนี้ไม่เกี่ยวความรู้สึกไม่เกี่ยวได้ความรู้ก็แล้วกันมันจะสบายไม่สบายถูกตาไม่ถูกตาไม่เกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มขยับจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นเพียงรับความรู้สึกมาเป็นรับความรู้เนี่ยจะเปลี่ยนมิติใหม่ของความสุขเนะี่ย คือไม่สุขไม่ทุกข์เพราะสิ่งชอบใจไม่ชอบใจแต่มองในแง่การรู้ทั้งสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจสุขหมดนะเพราะว่ามันได้ความรู้ใช่ไหมเราต้องการได้ความรู้ถ้าใจเราไปอยากได้ความรู้ปั๊บการได้ความรู้เป็นการสนอ ง, องความต้องการและเป็นตัวให้เกิดสุขเพราะนั้นสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไม่เกี่ยว สิ่งที่ชอบใจก็ให้ความรู้ได้ก็สุขได้สิ่งไม่ชอบใจให้ความรู้ฉันได้ฉันก็สุขได้อ น, นั้นก็สุขได้ทั้งจากสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจอันนี้คือการพัฒนาของมนุษย์อันนี้ทีนี้ถ้ามนุษย์รับรู้ในแง่เอาความรู้สึกเป็นใหญ่ความรู้สึกมันก็จะมามาเคลือบมาคลุมให้การรับรู้เนี่ยไม่บริสุทธิ์เกิดความลำเอียง นะมองตามชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดอคติยังไม่เเกิดอคติก็ไม่เห็นตาเป็นจริงเหมือนใส่แว่นสีใช่ไหมเรยบอกเพราะฉะนั้นการรับรู้นี้ก็จะมีอิทธิผลมากหนึ่งรับรู้แค่ความรู้สึกท่านเรียกว่ายินดียินร้ายก็จะไม่พัฒนาแล้วก็อยู่กับสุขทุกข์จากชอบใจไม่ชอบใจพอเปลี่ยนไปนการรับรู้เป็นการรับความรู้ปั้งก็พ้นจากสุขทุกข์เพราะชอบใจไม่ชอบใจมาสุขเพราะการได้เรียนรู้ คือสนองความต้องการรู้และอย่างหนึ่งก็คือการรับรู้จะ บ, บริสุทธิ์จะตรงความจริงขึ้นก็มนุษย์จะพัฒนาไม่ได้ถ้าไม่รู้จักปรับปรุงในเรื่องการรับรู้ตัวเองคือการใช้ตาหูจมูกลิ้นพอปรับปรุงแค่นี้ก็ดีขึ้นแหละนะแดนความสุขความทุกข์ก็เปลี่ยนไปแล้วก็แดนปัญญาก็พัฒนาเพราะว่าเราสามารถรับรู้ทได้ความรู้ทิตรงบริสุทธิ์ขึ้น นต่อจากนั้นก็คือเอาข้อมูลความรู้นี้มาเก็บไว้เป็นความจําสําหรับสติระลึกขึ้นมาแล้วเอามาใช้งานเอามาสามารถเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์มาสืบค้นสืบสาวหาเหตุปัจจัยเนี่ยแล้วก็เอามาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆในการแก้ปัญหาในการคิดสร้างในการทําการต่างๆได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของแดนปัญญาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งว่ารู้เข้าใจชีวิตของตนเองรู้เข้าใจโลกตามเป็นจริงพอรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยวางใจได้ถูกต้องต่อสิ่งต่างๆเพราะามนุษย์นี่เราอยู่ใต้กฎธรรมชาติชีวิตของเราก็เป็นไปตามสิ่งทังางยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะมีความสัมพันธ์กันทีนี้มนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกฝนพัฒนามาอยู่ได้ปัญญาก็อยู่ได้ความอยากที่ท่าเรียกว่าตัณหา เมื่ออยู่ด้วยความอยากตัวเองก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามอยากก็มีความสุขมันไม่เป็นไปตามอยากก็ทุกข์แต่ว่ามนุษย์จะให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามอยากของตัวเองเนี่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปตามอะไรมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนในตอนเนี้ยที่มันเป็นเรื่องของการที่มนุษย์เนี่ยจะเข้าไปขัดแย้งกับความจริงหรือไม่ถ้าเอาตัณหา มาเป็นหลักของจิตใจมันก็ขัดแย้งกับความเป็นจริงเพราะตัวอยากให้เป็นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายมันไม่ไม่ได้เป็นไปตามความอยากของมนุษย์สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมเน่ยไฟระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายอะ น, นั้นถ้าอยู่ในตัณหาต้องเกิดขัดแย้งแน่แล้วก็พอคือขัดแย้งใครชนะตอบได้เลยว่าความจริงชนะชความเป็นไปตามเหตุปัจจัยชนะมนุษย์ก็ต้องทุกข์เลย นีพอมนุษย์พัฒนาปัญญามนุษย์พัฒนาปัญญาก็รู้ตามเป็นจริงให้ปัญญามันรู้ตรงกับเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายมันรู้ตรงกับความเป็นไปของธรรมชาติฉะนั้นจิตมันก็ปรับตามปัญญามันก็ไปตามกันก็รู้ว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเขึ้นมันมันคงอยู่ไม่ได้เพราะมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นเกิดขึ้นอ้าวถ้าเราต้องการไม่ให้เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเรียนรู้มันศึกษาเหตุปัจจัยแก้ต่เหตุปัจจัยเนี เราทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นทามันไม่เป็นไปตามที่ใจปรารถนาแสดงว่าไม่เหตุปัจจัยที่เราทำไม่ทั่วหรือมีเหตุปัจจัยที่อยู่นอกเหนือวิสัยของเราแล้วก็รู้ตามเป็นจริงจิตใจเราก็รู้ความจริงอย่างนี้ทุกมันก็เบาแล้วก็แก้ไขเหตุการณ์ทำอะไรก็สําเร็จหนึ่งทุก็น้อยสองทำการก็สําเร็จก็อยู่ได้ปัญญานี้คนที่อยู่ได้ตัญหาอยู่ในความอยากหนึ่งก็ไม่สําเร็จสองก็ทุกมากใช่ไหมลย อันนั้นทานก็ให้พัฒนาก็คือชีวิตเรานี่เองเนี่ยถ้าหากว่าปฏิบัติถูกต้องมันก็คือเป็นธรรมะพระธรรมะคือวความจริงทั้งสิ่งทั้งหลายแล้วเราก็รู้เข้าใจความจริงนั้นแล้วเอามาใช้ประโยชน์ปฏิบัติได้ถูกต้องตามนั้นมันก็เกิดผลดีกับชีวิตของเราเลรื่ององเราเราเราเราก็ต้องฝึกปฏิบัติก็ฝึกนใ น, ในชีวิตของ <ใน S 2> เราผมผมกําลังจะตั้งหัวข้อของผมจะเขียนอันหนึ่งว่า ผมบวชแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมบวชมาสองปีเสร็จแล้วเว่าผมได้อะไรผมเป็นคนดีขึ้นหรือเปล่าเอนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะบวชเนี่ ย, <ล>ยผมเคยเขียนเรื่องว่าผมเป็นคนไกลวัดเอผมไม่ชอบพระผมมีข้อเขียนผมเขียนแล้วผมไม่ชอบไม่เข้าห า, าศาสนาแล้วก็บางทีพระที่ขออนุญาตใช้คําว่าเวอร์ไปเช่นพูดปีปีปาศาจทําอะไรงั้นผมผมไม่นับถือหลังจาก ที่ผมบวชแล้วผมก็บกบวชที่นี่ผมก็มีความรู้สึกที่ดีมากก็เขียนอีกอันว่าเมื่อคนไกลวัดบวชคราวนี้สองปีแล้วเนี่ยผมอยากจะมานั่งหยุดคิดดูว่าที่ผมบวชแล้วผมเป็นคนดีขึ้นหรือไม่ผมรู้แต่เพียงว่าถ้าผมฝึกปฏิบัติบ่อยๆผมดีขึ้นนิดหน่อยเช่นผมอ่านข้อเขียนของท่านมากอ่านมากอ่านลืมอ่านอ่านแล้วอ่านยกตัวอย่างเช่นขับรถอยู่ มีคนมอเตอร์ไขับรถมาแซงแสมัยก่อนจะจโมโหมา ก, กาโมโหยิ่งบางคนขับแท็กซี่มาโมโหแล้วก็แล้วก็ทาปากขมุบขมิดเราก็นึกว่าเขาด่าเราแล้ ว, ลวขณะนี้ถ้าจะให้ดีก็ต้องแผ่เมตตาไปเลยใช่ไหมครับแต่ขณะนี้ เ, นเราก็คิดว่าถ้าผมโมโหไปเนี่ยความดันผมขึ้นเปล่า เ, า เ, าเรื่องอะไรจะโมหโมหผมว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชีแต่ยังดีไม่ที่สุด นะอยากจะฝึกหัดตัวเองว่าเออทำยังไงถึงจะถึงแค่เขาจะปาดหน้าเราถูก เ, ออเขาผิดเนี่ยเราจะทํำยังไงเราเอออนุมโมทนาไปว่าเขาอาจจะไปเยี่ยมออพ่อแม่เจ็บป่วยหรืออะไรไปเลยยังไงจะมีวิธีทํำยังไงที่ให้ทานเข้าไปเลยหรือทําังไงให้ จ, ใจิตใจแทนที่แทนที่จำหนึ่งเดิมสมัยก่อนโมโหด่าเขากลับบางทีหมุนกระจกลงมาด่าเขาเลยซึ่ง เดี๋ยวนี้ไม่กระทำรกระทำแต่ว่าเฉยๆทำยังไงให้มันดีเหนือขึ้นไปแบบนั้นว่าวแผ่เมตตาไปรหรือว่ายั่วต่างอีกอันอย่างเช่นว่าทางเดินเท้าในตรอกเนี่ยรถเข้าไม่ได้เลยเขณะนี้เราก็รู้สึกว่าพวกนั้นคนตจรจเข้ามาขายของเนี่ยเราน่าจะเห็นใจเขาบ้างความจริงสมัยก่อนเราจะคิดว่าถนนของเราบ้านของเราทาไมเขามาลุกล้ขาขณะนี้ก็คิดได้ว่า เออแผ่เมตตาไปหน่อยเขาเขาจนกว่าเราเขาเราก็ขับรถไปอย่างนี้ทำยังไงถึงจะฝึกหัดให้ให้รู้สึกว่ามันดีขึ้นขึ้นไปอีกกว่านั้น <c oughs> นะฮะอันนี้สิ่งที่ผมบวชแล้วเนี่ยผมได้คือทําให้รู้สึกคิดอะไรกว้างขึ้นมีทฤษฎีขึ้นมาจับได้นิดหน่อยนะผมคิดว่าถ้าเผื่อันนี้สามารถจะทําอะไรง่ายๆหรือมีข้อแนะนําง่ายๆเนี่ยคนอื่นอาจจะได้ประโยชน์เยอะ <c oughs> หนึ่งอาจจะเป็นคนดีเท่าเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นคนดีแล้วก็แต่ทำดีมากขึ้นหมายความว่าปริมาณของสิ่งที่ดีที่ทำเนี่ยมากขึ้นแต่ระดับการเป็นคนดีนี้เท่าเดิมก็ได้ยังงี้ก็ถือว่าดีแล้วนะเรื่องว่าความรู้มากขึ้นหรือเปล่าไม่ได้อันนั้นอาก็ไม่รู้แหละแต่หมายความว่าได้ทำสิ่งที่ดีมากขึ้นอันนี้ก็ดีแง่หนึ่งหมายความว่าระดับความเป็นคนดีเท่าเดิม แต่ว่าในความดีที่ตัวเป็นอยู่เนี่ยก็เลยได้ทำความดีมากขึ้นตามกาลเวลาก็อันนั้นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนิดนิดหนึ่งนะทีนี้สองเลื่อนระดับความดีของตัวเองทีนี้ความเป็นคนดีที่ท <ำ S 1> สุดที่จะช่วยมีอะไรที่จะคลิกช่วยว่าเออมีมีกลไกล ย, ยังไงที่จะช่วยได้ไงไงทีนี้ความเป็นคนดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นได้หลายด้านถ้าเราใช้คำใหญ่มา เอาคำหลักเมื่อกี้มาเทียบเนี่ยดีขึ้นทางศีลดีขึ้นทางสมาธิคือด้าจิตใจและดีขึ้นทางปัญญาอ้าวต้องดูแล้วดูสามด้านลเลยหลวงพ อ, <ม> อ, อด้านศีลการประพฤติปฏิบัติของเราการดําเนินชีวิตทั่วไปการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ดีขึ้นไหมเราเบียดเบียนน้อยลงไหมเราเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์มากขึ้นไหมนี่ด้านศีลนั่นลเลยว่าดูได้เลยที่เราดีขึ้นไห ม, มใช่ไหมลเลวงพ่อเนี่ย นีการปฏิบัติต่อเข้าของเครื่องใช้การกินอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็ด้านศีลเราดีขึ้นหรือไม่สองด้านจิตใจเราจิตใจล่าเริงเบิกบานผ่องใสสดชื่นขึ้ น, นไหมเครียดน้อยลงไหมทุกน้อยลงไหมมีคุณธรรมมากขึ้นไหมมีเมตตากรุณามากขึ้นไหมมีมีศรัทธาอะไรต่างๆมีอะไรคุณธรรมความดีเนี่ยเลยมากขึ้นไหม แล้วก็มีสติมีวิริยะความเพียรมีใจเข้มแข็งมีกำลังใจดีขึ้นไหมอะไรเนี่ยแล้วก็ด้านาด้านความสุขก็พูดไปแล้วแล้วก็มาดูด้านปัญญามีความรู้เข้าใจเรื่องวิชาการนะั่นก็ไม่ต้องพูดถึงในที่นี้รู้เข้าใจชีวิตรู้เข้าใจเพื่อนมนุษย์รู้สิ่งทั้งหลายได้ดีขึ้นมากขึ้นไหมเนะี่ย อันนี้ก็ดูได้นะ เ, เรบอรดูสามด้านเนี่ยก็วัดตัวเองได้เลยนี่ทีนี้ถ้าจะมาใช้ปฏิบัติอย่างในเฉพาะกรณีหรือเป็นแง่ายๆเรื่องเรื่องอย่างว่ากรณีขับรถอย่างเงี้ยใช่ไหมเรบอร์ดอันนี้มันก็วิธีง่ายๆก็ท่านเรียกว่าโยนิสมรสิการ <No. S 1> ใช่ไหมก็คือว่าการรู้จักมองร <No. S 1> ู้จักคิดอ ให้จิตมันมีทางเดินหลายหลายอย่างคือมันมีไอตัวนำก็คือการใช้ปัญญาหรือวิธีมองซึ่งอย่างไม่ต้องใช้ปัญญามากมายเลยล่ะเพียงวิธีมองเท่านั้นเองเนะเช่นว่าเราคิดเผื่อให้เขาเงี้ยอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้อย่างอย่างหมอเห็นคนไข้หน้าตาไม่ดีพูดไปแล้วพูดกลับมาไม่ดีเนะี่ยหมอคิดว่าโอ้คนไข้คนเนี้ย ที่จริงเขาไม่ได้มามีโกรธเกิดอะไรกันแล้วหรอกแต่เขามีอารมณ์ค้างหรือเขากาลังวิตกกังวลมีความทุกข์ทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บของเขาทุกข์เพราะเป็นห่วงลูกถ้าพ่อป่วยไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงทุกข์เรื่องครอบครัวเงินทองจะเอาที่ไหนมาใช้ตัวเองรักษาใช้เงินมากไหมแล้วเวลานั้นครอบครัวจะอยู่ได้ยังไง ห่วงโน่นห่วงนีไอ้เนี่ยมันทำให้เขาอารมณ์เสียแล้วเขาก็พูดตอบมาไม่ดีเพราะนั้นถ้าคิดได้อย่างนี้อาจจะไปเห็นใจเขาคิดหาทางปลอบโยนหรือไปไถ่ถามให้รู้สุกทุกข์แทนที่จะมาอัดอั้นอยู่คนเดียวกับตัวเองแล้วก็ทุกข์แล้วก็ปรุงแต่งใจไม่สบายนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเลยเนี่ยคือการมองและใช้วิธีคิดแบบนี้ท่านเรียกว่าโยนิสมสิการนะซึ่งใช้ได้หลายอย่างมาก เคยเล่าไว้ในหนังสืออะไร ร, ร, ไ ร, ร, ไรักษาใจยามรักษาคนไข้รักษาใจยามป่วยไข่กับรักษาใจยามรักษาคนไข้คือเรามีวิธีมองได้เยอะแยะแม้แต่มองเพียงว่าเป็นเรื่องของการได้เจอประสบการณ์ต่างๆหลากหลายแล้วก็สนุกไปกับการได้เห็นประสบการณ์นั้นไม่รับกระทบหมายความว่าผู้คนมนุษย์นี่มีต่างๆกันท่าทางอากายกิริยาที่ใช้ใจคอไม่เหมือนกันอ่า เราเจอเออคนนี้เป็นอย่างงี้คนนั้นเป็นอย่างงั้นคนนั้นยิ้มคนนั้นหน้าบึ้งคนนั้นหัวเราะตลอดเวลาคนนี้เป็นอย่างงั้นงี่เห็นแล้วเราขำไปหมดนะขำไปหมดเห็นใครมาท่านี้เห็นคนนั้นมาท่านน้นขำอย่างเดียวไม่รับกระทบนะอย่างนี้ก็มีนะก็มันอยู่ที่การวางท่าทีของจิตใจหรือวางท่าทีเป็นการเรียนรู้ โอ้เนี่ยมนุษย์มีต่างๆหลากหลายสิ่งทลากหลายก็เป็นไปต่างๆเราวันวันหนึ่งเราได้เรียนรู้เจอคนนี้ก็ได้เรียนรู้ว่าเออคนอย่างนี้ก็มีคนอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นเรียนรู้เรียนรู้มองไปเรียนรู้หมดมาดีก็เรียนรู้มาไม่ดีก็เรียนรู้เลยหมองก็ได้ศึกษาได้ท่าเดียวเนยังคนเมื่อกี้นี้ผ่านท่าเดียวเนี่ยขำผ่านขำผ่านแต่คนที่สองนี้ได้เรื่องได้อย่างเดียวได้ความรู้เรื่อยไป นี้คนที่สมนี่ก็มองอย่างที่ว่ามองแบบเข้าใจเพื่อนมนุษย์คิดเผื่อให้เขาก็าจะเป็นยังไงเก็อย่างนี้แล้วก็เราหาทางมีความสัมพันธ์ไทย3ามเขาเพื่อให้รู้ความจริงอะไรต่างๆไปด้วยบอ่อยอันนี้ก็กลายเป็นช่วยแก้ปัญหาแก่มนุษย์ให้แก่เพื่อนมนุษย์แล้วก็มีเมตตากรุณาแล้วก็อีกอันก็ได้คือมองเป็นบททดสอบตัวเราเออเราเจอดีเมื่อไมร่เจอดีเมื่อเจอดีแล้วก็ไปชอบใจซะนี่ ไอ้ทีเจอไม่ดีแล้วก็ไปไม่ชอบใจลองทดสอบตัวเองเรามาเรียนธรรมะเราอยู่ในโลกจะมีชีวิตที่ดีเรามีความเข้มแข็งอดทนแค่ไหนต้องเจอบททดสอบบางให้เขาด่าบางเราจะได้ดูว่าเราทนได้ไหมใช่ไอา้าวอย่างนี้ก็ได้บททดสอบเนะีเอาบังเป็นบททดสอบหมดเนะีเจอก็ไม่มีปัญหาอีกได้บททดสอบวันนี้ พอกลับบ้านกันเออได้บททดสอบใหม่แม้ว่านี้บททดสอบแรงหน่อยว่าเงินนอ <laughs> ก็เลยสนุกอีกนะสนุกกับบททดสอบนะ <laughs> แล้วก็ต่อจากบททดสอบก็เป็นแบบฝึกหัดพัฒนาตัวเองอันนี้ก็คนเราเนี่จะพัฒนามันต้องมีแบบฝึกหัดใช่ไหมอันเนี้เจอคนไม่เจอแบบฝึกหัดมันไม่พัฒนาไม่ได้แก้ปัญหานี่ชีวิตที่ราบรื่นเนี่ยมันดีหรอมันสุขแต่ว่าเป็นชีวิตที่ไม่มีแบบฝึกหัด คนที่ชีวิตราบลื่นเกินไปมีความสุขเกิดมาในความสุขเนี่ยถ้าไม่มีกัลยาณามิตรมาช่วยฝึกเนี่ยไม่พัฒนาเลยแล้วชีวิตนี่จะเอาดีเข้มแข็งหรือว่ามีปัญญาอะไรต่างๆที่จะจัดการสถานการณ์ได้น้อยเพราะฉะนั้นคนที่เจอแบบฝึกหัดมากนีนะเจอปัญหาเยอะเจออะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหานี่มองไปแบบฝึกหัดหมดทีนี้ก็พัฒนาตัวอย่างเดียวนะได้ฝึกได้หัรดได้แก้ปัญหา ดีหมดใช่ไหมเลยนี่คนที่ห้าเลยนะแล้วก็ให้คนที่หกอีกคนที่หกนี่ได้พัฒนาปัญญาถึงขั้นรู้เข้าใจโลกชีวิตตามเป็นจริงก็รู้เข้าใจแบบคนที่อยู่บนภูเขายอดเขามองลมบาเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปต่างๆรู้เข้าใจโลกชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยคนเราก็มีกิเลสบ้างเหมือนมีกิเลสบ้างนะก็เป็นไปต่างๆกันเขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย นี่มันเป็นมองไปตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยเข้าใจตามเป็นจริงไปเลยไม่กระทบเลยเรื่อยเรียกว่ า, ร, วารู้เข้าใจโลกชีวิตวางใจถูกต้องใจเป็นอิสระไปเลยเรื่อย mm hmm. ก็เลือกเอาต่างๆนี่แหละเป็นวิธีที่เรียกว่าโยนิในสมรสิการซึ่งใช้ได้หมดเลยวะแต่อย่างน้อยขั้นแรกเนี่ยก็คือว่าคนเราจะใช้ตาหู เป็นด่านสําคัญในการสัมพันธ์กับโลกภายนอกเนี่ยมันก็มีแบบที่ว่าเนี่ยแยกไว้เลยว่าหนึ่งมองด้วยความยินดยีดยินร้ายอย่างที่พูดตอนตอน้นเห็นสิ่งที่สบายตาถูกตาก็ชอบใจเห็นสิ่งไม่สบายตาไม่ถูกตาก็ไม่ชอบใจแล้วก็สุขทุกข์ก็อยู่เนี่ยนี่เป็นการใช้ตาหูจมูกลิ้นแบบแรกสามัญแล้วก็แบบสัมพันธ์กับโลกภายนอก ด้วยการใช้ปัญญาแบบที่ว่าอย่างน้อยมองตามเหตุปัจจัยก็เลยแยกแบบมองตามชอบใจกับมองตามเหตุปัจจัยพอเจออะไรก็ถ้ามองตามชอบใจก็สะสมปัญหาแต่ถ้ามองตามเหตุปัจจัยก็เกิดปัญญานี้ถ้าเราเพียงตั้งท่าทีอย่างนี้ก่อนว่ามองตามเหตุปัจจัยนะเราไปเจออะไรปั๊บเราเราลึกอันนี้เราจำไว้เป็นคติ ว่าเป็นคติว่ามองตามเหตุปัจจัยไอ้คติก็คือทางไปให้จิตมันเดินได้พอเกิดเรื่องปั๊บที่จะไม่ชอบใจเอาสติแล้วลึกถึงคติมาในะไอ้คตินี่มันเราตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็สติเป็นตัวดึงไอ้คตินี่มาใช้แล้วลึกถึงคติว่าไอ้นี่เกิดเรื่องและเจอสิ่งไม่ชอบใจแล้วนะแนะ่ ขติบอกมองตามเหตุปัจจัยอย่ามองตามชอบใจเราก็ยังการมองตามชอบใจเปลี่ยนมามองตามเหตุปัจจัยใช่มเลยเบร์พอมองตามเหตุปัจจัยปับ๊บสะดุดหยุดปัญหาได้หยุดปัญหาได้ก็มามองด้วยปัญญาวิเคราะห์ศึกษามองตามเหตุปัจจัยแม้แต่เรื่องในครอบครัวในบ้านก็เนี่ยมันมีเรื่องที่จะกระทบหูทบตาอยู่เรื่อยแหละซึ่งเข้าไปถึงจิตใจถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจต้องเกิดเรื่อง ด้วย <l ots> แล้วก็มีปัญหาทั้งกับตัวเองออกมาก็กระทบกันมีปัญหากับข้างนอกนี้พอเปลี่ยนไปมองตามเหตุปัจจัยก็ตั้งสติได้แล้วก็เริ่มใช้ปัญญาหาทางแก้ปัญหาโดยทางที่ถูกต้องอย่างน้อยตัวเองก็ไม่เกิดความกระทบไม่กุนคล้องหมองใจใช้ปัญญานี่มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่เป็นกลางนะปัญญาอยู่กับความเป็นจริงที่เป็นกลางๆง เพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาปัญญาเป็นตัวทําลายปัญหาแล้วก็แก้ความทุกข์สลายเป็นตัวสลายทุกข์เป็นตัวปลดปล่อยทําให้เป็นอิสระเลยพอก็ตัวอย่างเนี่ยนะการเรื่องของมนุษย์ก็อย่างเงี้เลยแต่ถ้าว่าทําได้อย่างนี้ก็เป็นวิธีนําเอาธรรมะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน บางคนเขาอาจจะไปอยู่วัดไปมองเห็นในรูปแบบว่าไปนั่งปฏิบัติอะไรแต่หลากมหมายแต่พอเจอชีวิตจริงเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกวางใจไม่ถูกยังโกรธยังรุนแรงยังอะไรรุ่งพลาดอะไรอยู่แสดงว่ายังเอามาใช้ไม่ได้ผมเคยเจอบางคนท่องทฤษฎีได้ เ, เป็นคำเป็นคำพระได้หมดเลยนะครับแต่ รู้หมดรู้ทฤษฎีหมดแต่ในชีวิตประจาวันยังเห็นความโรยังเห็นการ ท, ทากันย่งนียอยะเห็นตัวอย่ยยญญางอย่างนี้เยอะครับนี่แหละไม่ได้เอามาฝึกรจริงๆคือธรรมะที่แท้เนี่ยที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันก็หมายถึงมันเป็นจริงขึ้นในชีวิตของเราชีวิตจิตใจของเรามีการพัฒนาก็คือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าเรานำมรธรรมะมาจะโดยรู้ก็ตามจะได้บอกว่าปฏิบัติก็ตามแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลอะไระเรี อ, อ่ะเพราะฉะนั้นที่บอกพัฒนาก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น<ม>ที่ไหนล่ะก็เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราดูที่ไหนดูที่พฤติกรรมกายวาจาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางวัตถุดูที่ไหนดูที่จิตใจ ดูที่คุณธรรมความดีงามบ้างดูที่ความเข้มแข็งสมรรถภาพจิตใจบ้างดูที่ความสุขความทุกข์บ้างดูเข า, าเร่าเริงเบิกบานร่องใสจิตใจดีมีทุกข์น้อยมีความเครียดน้อยลงสามารถแก้ปัญหาจิตใจเขาได้ดีไหมแล้วก็ดูที่ปัญญาความรู้เข้าใจโลกและชีวิตการมองสิ่งทั้งหลายที่มองเห็นตามเป็นจริงมากขึ้นไม่มองตามความเครือบแฝงของกิเลส ความลำเอียงอคติอะไรต่างๆเหล่านี้เลยอันนี้ก็ดูของจริงเลย <Yeah. S 1> และจิตใจที่ทําให้หลุดพ้นอย่างที่ท่านบอกว่ า, าผู้ที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเนี่ยเราก็อยู่ในโลกตามปกตินี้เหมือนคนอื่นใช่ไหมแต่ในโลกมันก็มีท่านเรียกว่าโลกธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ชีวิตร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลง ไ, ไปตามกฎธรรมชาติ แต่ทีนี้พอเรารู้เข้าใจความจริงแล้วไอ้สิ่งทั้งหลายเปลีป่ยนแปลงไปกฎธรรมชาติเป็นไปมันไม่ส่งผลกระทบจิตเนี่ยเพราะปัญญามารู้ทันหมดท่านก็บอกว่าผู้ใดถูกโลกธรรมทั้งหลายซึ่งหมายถึงทัง้งดีร้ายถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเข้ามากระทบกระทั่งแล้วจิตไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่ขุนมัวเศร้าหมองเป็นจิตผ่องใส ร่าเริงเบิกบานเป็นจิตกเกษมไม่มีความเศร้าโศกเนี่ยเบิกบานได้ตลอดเวลาอย่างเนี้ยท่านเรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดเนี่ย <c oughs> อ้าวได้ยินบอกว่าคุณหมอจะมาถามเรื่องชีวิตหลังเกษียณก<อ> <c oughs> ็เขาจะทำที่คณะ ชมรมอาจารย์เขาจะทำเขาเรียกว่าทามุทิตาไม่ทราบจะใช้คำถูกกว่าม้วแต่จอจตคำว่ามุธิตาจิตเนี่ยแปลว่าเคารพแสดงความยินดียินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ดี <c oughs> เวลาลูกศิษย์ลูกหาเขจะทำให้อาจารย์ซึ่ ง, งจะเ ก, กษียณเนี่ยเขา <c oughs> เขาจะติดประกาศว่า ขอแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์สองสาคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำที่ถูกต้องหรือเปล่าครับก็อยู่ทีวิธีมองเลยก็คือถ้าจะใช้คำอะไรที่ถูกต้องก็อันนี้ก็ไม่ผิดเลยพอก็อย่างน้อยก็เป็นการที่ว่าช่วยนำจิตใจให้ไปมองในทางที่ดีคือถ้าเรามองว่าเกษียณโอ้โหหมดไปแล้วนะเนียเกษียณ่อสิ้นนะนะ หมดแล้วอายุราชการหมดแล้วตำแหน่งฐานนะโอ้ถามองอย่างนี้เราก็เสียใช่ไหมเลยฟออนะแเ้วจะไปมุทิตาได้ไงอ่ะมุทิตาแสดงความยินดีนี้มันสูญเสียเนี่ยแต่ถ้ามองอีกทีหนึ่งอ้าวแม่แย่ทำงานหนักมานานไม่มีอิสระภาพอยู่ในขอบเขตจำกัดวันนี้เป็นอิสระสถี พอมองอย่างนี้ปับบ๊มุทิตาได้เลยเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ดีแล้วนี่คือกา ร, กรเกษียณอายุนเนี่ยถ้ามองในแง่ดีก็มีแง่ดีเยอะแล้วก็มีสิทธิ์จะมองในแง่ดีได้มากด้วยเพราะว่าผู้กเกษียณเนี่ยได้ถือว่าถ้าเราถือว่าแล้วก็มันก็เป็นความจริงเราไม่ต้องไปถือว่าคือว่าการรับราชการก็ได้ทําประโยชน์แก่ประชาชนแก่บ้านเมืองมาเยอะแล้ว นี่ในแง่ที่ทําประโยชน์ในชีวิตนั่ก็ทำไปแล้วก็พอสมควรการกเกษียณนีน่ก็เป็นบอกให้เหมาะแล้วว่าทําพอสมควรแล้วนะทีนี้ในเวลาที่เราทํางานแบบนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งเราถูกจํากัดเรามีภาระรับผิดชอบบางอย่างเราทําไม่ได้ตามที่ใจปรารถนานี้พอกเกษียณปับ๊บชีวิตเป็นของตัวเองเวลาเป็นของตัวเอง จะทําอะไรก็ทําได้ตามใจปรารถนาเนี่ยตรงเนี้ยจึงเป็นอิสระนี้ก็อยู่ที่ว่าเมื่อกเกษียณแล้วเนี่ยจะเลือกทําอะไรซึ่งจะมาข้าเหล็กอิทธิบาทที่ว่าทําให้อายุยืนคือผู้กเกษียณถ้าไปมองในแง่ลบเป็นสูญเสียเนี่ยก็จะใจคอเหงาหงอยเศร้าซร้อยอะไรแต่อไรว่าเหวอะไระไรปแล้วนี้พอมองในแง่ดีบอกฉันเป็นอิสระโอ้ข่าวนี้มีเวลามีอะไรเป็นของตัวเอง แต่ท่านบอกว่าอย่าอยู่เฉยๆเลื่อนลอยให้มีอะไรทําอธิบายก็เริ่มต้นด้วยข้อแรกให้มีอะไรทําก่อนนะก็คิดแล้วว่าเรามีอะไรที่อยากจะทําแต่ก่อนนี้เราอาจจะอยากทําแต่เราไม่มีเวลาจะทํานะแล้วเราทําตามที่ต้องการไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ไม่อาจจะทําต้องไปทําให้สิ่งที่อาจจะไม่ต้องการเท่าไหร่นี้ถึงเวลานี้เราก็มีอิสระและ้วเราก็ อะไรที่เราเห็นว่ามีคุณค่าจะเป็นคุณค่าแก่ชีวิตคุณค่าแก่สังคมหรือสิ่งที่ดีแหละเป็นสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าประเสริฐเราอยากจะทําเนี่ยเอาเวลาตอนเนี้ตั้งใจเลยพอตั้งใจจะทําสิ่งนี้ใจปรารถนาะอยากจะทําให้สําเร็จยิ่งมีปัญญามองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นว่าดีงามเป็นประโยชน์เท่าไร่และใจฝ่ายจะทําเท่าไหร่ยิ่งดี มันจะเกิดอันที่สองอันที่หนึ่งเรียกว่าฉันทะคือความใฝ่ปรารถนาความรักจะทําอันที่2ก็คือกําลังที่จะทําจะตามมาเลยพอมีความใฝ่ปรารถนามากเนี่ยกําลังจะเกิดมากก็เกิดวิริยะความเพียรโอ้ยจังทําให้สําเร็จอย่างที่ยกตัวอย่างวันนี้บอกบางคนพูดบอกว่าเรื่องนี้ถ้าให้สําเร็จฉันตายไปได้ว่างนินเออตั้งใจว่าอย่างงั้นเกิดกําลังใจทําเต็มที่ น่นก็เกิดกำลังขึ้นมาแล้วอ่าไอ้ง้อยเหงาว้าเวเนี่ยหายหมดเลยเลยทีนี้ก็มีกำลังใจขึ้นมาพอมีกำลังใจจะทำทีนี้มันก็เกิดความอุทิศตัวแหละพ อ, อใจมันก็ฝักใยอยู่เอาเรื่องนี้อุทิศตัวทิศเวลาให้ใจมันจะไม่รับกระทบกับเรื่องวุ่นวายเรื่องไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของฉัน อาจจะกระทบบ้างตามวิสัยุวุชนปรเดี๋ยวก็ลืมเพราะเรามีเรื่องต้องทำแต่คนแก่ที่ไม่มีอะไรจะทำเคว้งควางเนี่ยจะเก็บเอาเรื่องกระทบในชีวิตประจําวันมาคิดนั่นเลยลูกหลานทําอะไรผิดหูผิดตานิดบันนั่งคิดก็แปลไม่มีอะไรทําได้ก็คิดสมองเสียเล ย, เยใจคอก็เศร้าหมองมีแต่ความทุกข์เหงาหงอยแล้วจิตใจหงุดหงิดไม่สบายใจเนี่ยเดี๋ยวก็บน่นเดี๋ยวก็อะไรมา ไปกันใหญ่นะจิตรับกระทบเรื่อยปรุงแต่งมาก น, นี่คนมีอะไรจะทำตั้งใจแล้วทีเนี้ย เ, เรื่องกระทบไม่มีความหมายเลยมันไม่เข้าเป้าตาัดหมดมาอยู่กับเรื่องที่ทำลื้อกระทบเดี๋ยวเดียวมันลืมเพราะมีเรื่องใหญ่ที่จะทำใจก็มีจิตต์นะแล้วก็พอเราอุทิศตัวทิศใจกับเรื่องที่ทำเนี่ยมันก็ใช้ปัญญา ใช้ปัญญาคิดพิจารณาจะแก้ไขจะปรับปรุงจะทำให้สำเร็จอะไรต่างๆวิมังษาก็มานี่เห็นว่าทางแพทย์ก็บอกว่าถ้ายังใช้ความคิดใช้ปัญญาอยู่น่ะเลยมนสมองก็ไม่ค่อย<ม>ฟอกใช่ไหมเลยมรเนี่ยข้อที่สี่ก็มาหมดเลยสี่ข้อแต่ท่านบอกระวังนะคิดมีสองแบบหนึ่งคิดปรุงแต่งคือคิดด้วยอิโมชันคิดทางอารมณ์นึกถึงเรื่องเก่าเก่านึกถึงเรื่องคนโด น, นกระทบกระทั่ง พอใจไม่พอใจมาคิดปรุงแต่งอย่างเงี้ยท่านห้ามเลยเป็นความคิดเชิงอารมณ์แต่คิดเชิงปัญญาในคิดเท่าไรคิดไปท่านบอกไม่เป็นไรคิดทางปัญญาคิดสืบสาวให้ปัจจัยมาเป็นกลางๆไม่มีดีไมมีชั่วเลยนอนคิดไปใช้ปัญญาไปดังนั้นก็ตกลงว่าอิธิบาทสี่เนี่ยถ้ามาแล้วบอกให้อายุยืดเลย <c oughs> ทีนี้เพราะฉะนั้นคนที่กเกษียณเนี่ย ก็มองในงแง่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์เยอะก็อย่างที่ว่าหนึ่งก็มองเป็นอิสรภาพสองก็คิดจะทําสิ่งที่มีคุณมีคุณค่าที่ใจต้องการจะทำสามก็เอาประสบการณ์ที่มีมาเยอะแยะเนี่ยมาถ่ายทอดหรือทําให้เกิดประโยชน์กับผ <Okay. S 1> ู้อื่นในอันนี้ก็ก็เป็นประโยชน์มากประสบการณ์ของท่านผู้ที่ได้ทํางานทําการผ่านชีวิตมาเยอะแยะเยอะ <Yeah. S 1> เนี่ยคน ในแต่ละยุคเนี่ยมันสูญเสียอันนี้ไปมากอัตมาก็ยังเสียดายคือตอนนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสแล้วบางทีเราก็ยังไม่ทันคิดถ้ารุ่นเกา่าอายุรุ่นแปดสิบเก้าสิบนี่ยนะหลวงรู้เรื่องเก่าๆถ้าเราไปบันทึกไปถ่ายถามเรื่องเกา่าๆไว้อย่างเรื่องการคณะสงฆ์อะไรนี่นันเลยบอนอเราจะได้อะไรไว้เยอะนี่ก็เนี่ยของพระเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ว่ามันหายไปกับพระรุ่นเก่า เลยไม่ได้ประสบการณ์ของท่านไว้เป็นประโยชน์แต่ของพวกผมที่เป็นหมอที่เป็นอาจารย์อยู่นี่ ก, ก็ก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่รหมดแต่ตำแหน่งที่เป็นอาจารย์อะไรนี้แล้วงานประชุมอะไรน้อยก็ยังเป็นหมอตามเดิมผมก็ยังไปผ่าตัดจังตรวจคนไข้ เยกว่าสเตตัสไม่ไม่เปลี่ยนก็จริงสบายอนกางพวกนายทหารที่เขาหมดยศอํานาจเลยไม่ใช่เพราะนั้นก็เป็นเถียงเพียงแต่ว่าหมดงานประชุมงานอะไรที่งมันไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องเกับเกษียณแต่ในนามไม่ได้เกษียณแท้หรอกนี้พวกเกษียณอย่างผู้ว่าราจาารย์ผู้อวชการจังหวัดแม่นิ่งหอยจริงจริงหอยเงาว่าวิเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอย่างอาชีพหมอนี่ได้เปรียบเยอะเลยเนี่ย แต่ก็แต่ว่าอย่างว่าแหละอย่างน้อยก็ให้ภาระรับผิดชอบที่ต้องกังวลมันน้อยลงคือให้มีงานที่ต้องทำแม้หนักไม่เป็นไรแต่อย่าให้หนักใจอย่าให้ต้องกังวลน ม, ม้ใครได้แค่เนี้ยพอ